แล้วมีพัฒนาการที่ดีที่สุดค่ะทางที่พอเตาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากโน่อนอยากนี่น้อยลงมันจะเหมาะกับเราที่สุดเพราะสิ่งที่มันเป็นอารมณ์คาใจของเราจริงจรเนี่ยคือความรู้สึกวาวุ่นใจวาวุ่นเพราะอยากโน่อนอยากนี้ทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยก็ไม่เห็นประโยชน์นะแต่อดไม่ได้เป็นประเภทที่ว่า เหมือนกับเจอป้ายห้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยแพ้หรือว่าเจอเพื่อนชวนโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแล้วรู้สึกมั น, ม, นมันว่าบมันวาบตามไปทั้งทั้งที่บางทีใจนะมันเหมือนกับบอกตัวเองอย่าซื้ออย่าซื้อไม่เอาเนียแต่มันอดสนใจไม่ได้แล้วมีความอยากนึกออกใช่ไหม ตรงนี้แหละตัวนี้แหละที่มันทําให้เรามีความทุกข์ตัวนี้แหละที่ทําให้เหมือนกันบางทีเนี่ยจิตใจเราปั่นป่วนแล้วบางทีนอนไม่หลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือมันวกวนอยู่ในหัวถ้าเมื่ อ, อไรที่เราสงบเนี่ยเราจะรู้สึกดีนะชีวิตเราก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าคืนไหนหรือวันไหนมันมีอะไรที่มันพุ่งพลานอยู่และหยุดความรู้สึกอยากโน่น อ, อยากนี่ไม่ได้มันจะเป็นทุกข์มันจะรู้สึกเหมือนกับคนที่ไม่ได้หยุดเลยอ่ะไม่ได้หยุดพักอารมณ์มันวิ่งตลอดมันพุ่งพลาดตลอดใช่จะ นี่อย่างแม้แต่การวิธีการปฏิบัติพอเรานิ่งได้เห็นแสงสีได้หรือว่าเห็นอนาคตได้ถามว่ามันทำให้เราลดความอยากลงได้ไหมมันกลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะมันยิ่งเพิ่มความอยากให้มันหนักขึ้นไปอีกอยากแบบโล่งๆไม่พอไม่อยากแบบทางธรรมอีก นี่อย่างตอนเนี้ยใจมันเบาลงเมื่อกี้พี่พูดเรื่องความอยากเท่านั้นเลยแล้วมันเห็นไงเห็นอาการพรุ่งพุ่งไปพุ่งมาตอนนี้มันส ง, งบลงมันไม่ใช่ส ง, งบเพราะว่าทําสมาธิหรือทําอะไรเป็นพิเศษแต่เพราะว่าเราเห็นความอยากที่มันผุดกลับมาใหม่คือพอพูดถึงความอยากมันก็จะไปทบทวน ก็เคยอยากยังไงแล้วก็จะนึกนึกออกไงมีอาการดิ้นพล่านอย่างประเภทลดห้สิปอเ็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากสำหรับคุณผู้หญิง <c oughs> <c oughs> คือบางที่ใจของเรานะบางทีไม่อยากเอาอะไรละแต่ข้างในอ่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมหยุดมันดิ้นและบางทีห้ามใจตัวเองไม่ได้ เพราะแห่ที่ผ่านมามันไม่ชินไม่ชินกับการห้ามใจมันชินกับการตามใจตัวเองนี้การฝึกสมาธิหรือการเจริญสติถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไวชัดๆว่าเราจะเอาอะไรบางทีเนี่ยยังพอเห็นแสงสีขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นมาตรวัดความสงบ เป็นมาตรวัดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการฝึกสมาธิแต่เห็นไหมเนี่ยอย่างตอนนี้ใจใจของเราที่มันโปรง่งปรง่งมันสบายสบายอยู่เนี่ยมันมีความสว่างกว่าตอนนั่งสมาธิซะอีกหมายถึงนั่งสมาธิตามปกติหลายๆครั้ง เ, เดี๋ยวกรณาขึ้นขึ้นม า, ข, นมาขึ้นมานั่งตรงนี้ดีกว่าเนี่ยไล่ไล่ไขึ้นมา สำหรับคนที่ยังไม่ได้ถามนะคนที่มาใหม่จะได้ชัดเจนเวลาที่เราพยายามจะนั่งมันมีความอยากจะสงบนำหน้าขึ้นมาเสมอมันมีความอยากจะสว่างให้ได้เหมือนเดิมซึ่ง ไอ้ความอยากแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่มีตอนนี้มันมีแค่อาการที่พอใจที่ได้เห็นอะไรอะไรภายในใจของเราตามจริงเห็นไหมมันไม่มีความพุ่งพลานเห็นไหมว่ามันไม่มีอาการทึบแน่นเห็นไหมว่ามันมี เอ่อลักษณะที่พร้อมจะพัฒนาจิตวิญญาณให้มันสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นแต่ตอนนั่งสมาธิเนี่ยตอนนั้นไม่ได้พร้อมที่จะมีความสะอาดยิ่งขึ้นนะเพราะมันยังมีความอยากอยู่แล้วความ อ, อยากเนี่ยเป็นเป็นพวกเดียวกันกับ ต, ตอนที่อยากซื้อ น, นั่นอยากซื้อนี่เป็นพวกเดียวกันกับความรู้สึกว่า เออถ้าเราได้ถึงจะดีแต่นี้ถ้าเราเสียถึงจะเหมาะเสียไอ้ความยึดมั่นถือมั่นไปเสียไอ้อาการทุรนทุรายดิ้นรนไปพวกนั้นน่ยต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะเราเสียสิ่งเหล่านั้นไปใจมันเป็นสุขอยู่เองอยู่แล้วคืออุตส่าห์ทาบุญมาอุตส่าห์ที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิมาก็เพื่อจะเอาตรงนี้แหละ ความสงบราบคาบของใจความไม่กระสับกระส่ายของใจตนรู้ว่าคิดอะไรบางอย่างคือคือที่พูดถูกคือล่าสุดเนี่ยคือเป็นจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ได้อยากได้อะไรแล้วมีอะไรแล้วก็รู้สึกเหมือนกับพอไม่มไม่อยากแต่อดไม่ได้ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนกับว่า ่มีเรื่องหน้าที่การงานอะไรเงี้ยค่ะคือเขา้ามาคือคือหนูรู้สึกว่ามันขัดกันอยู่ในทีถึงจะถามคำถามต่อไปเนี้ยนะคะคือว่าเดีย๋ยวเอาไมา่มไปติดนิดนึดนงค่ะคือไม่ได้อามถามใหม่นิดนึง ค, คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากแต่ว่ามีการที่เสนอเข้ามาแต่ว่ามันจะต้องดิ้นรอนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถามใจจริงๆลึกๆเนี่ยไม่ได้อยากอะไรแต่รู้สึกว่าถ้าหากไม่ทำเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยมันก็ มันก็จะไม่ใช่สิ่งที่มันจเจริญก้าวหนะ้าซึ่งมันก็มีคนที่สนับสนุนที่เราจะเดินก้าวไปทางนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันรู้สึกมันจะทําให้เราร้อนแต่ใจแล้วไม่อยากได้ อ, อะไรมากมาย เ, เราสังเกตอาการทางใจแบบนี้ก็แล้วกันเพราะเราเผลอตัวขึ้นมาเนี่ยมันทุ่มลงไปกับอาการอยากเต็มๆ เ, เข้าใจไหมอาการทุ่มลงไปอะทุ่มสุดตัวพอ คำว่เผลอเข้าใจคำว่ า, าเผลอใช่ไหมมันไม่ได้ดูใจตัวเองมันไม่รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมีจังหวะมีโอกาสนัใจเรากระโจนออกไปเต็มเหนียวอะ่ะเสร็จแล้วมันก็มาใจเต้นตุมต้มๆต่อมๆที่หลังว่าจะได้หรือไม่ได้เอาเอาดีหรือไม่เอาดีมาเถียงกับตัวเองมาขัดแย้งกับตัวเองอีก ทั้งหลายทั้งปวงมันเริ่มขึ้นมาจากการที่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี้ที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นบรรยายมาเลยก็คือว่าถ้าเราจะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือไม่ใช่ไปฝืนห้ามตัวเองแต่สารวจตัวเองไล่มาตั้งแต่สภาพทางกายก่อนอย่างนี้สภาพทางกายมันสงบนะครับสภาพทางใจมันไม่ได้จะเอาอะไร มันแค่เราคำตอบอยู่แค่คำเดียวว่าทำยังไงมันถึงจะหายขัดแย้งกับตัวเองตรงนี้ได้พี่ก็บอกว่าโอเคอย่าไปอยากหายขัดแยง้งเพราะไม่งั้นมันจะเป็นโจทย์ขึ้นมาใหม่โจทย์แห่งกิเลส ข, ข้อใหม่ที่มันจะต่อไปอีกไม่รู้จบแต่ถ้ากลับไปที่ที่ทำงานแล้วก็ เออรู้นะว่ามีอาการแบบทุ่มสุดตัวทุกครั้งที่เผลอมันจะมีอาการกระโจนออกไปแบบมืดๆเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับใจเต้นเนื้อเต้นที่ดีใจที่ได้โอกาสนึกออกใช่ไหมคือมันเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้เจริญสติเหมือนกับตอนที่เรายังไม่สนใจธรรมะทุกประการมันเป็นความเคยชินที่จะรู้สึกอย่างนั้นแต่สิ่งที่จะต่างไปก็คือต่อไป ให้ไปฝึกดูไออาการทุ่มสุดตัวเนี่ยมันจะมีอาการดิ้นรนดิ้นรนไขว้เข้าใจใช่ไหมอาการทางใจนะเออแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งเหนื่อยใจที่หลังเหมือนกับคนมานั่งเถียงกับตัวเองว่าจะเอาไปทำไมตอนที่เหนื่อยใจเนี่ยมันจะมีอาการแบบมานั่งเออนะครับ นึกลำพึงลำพันธ์กับตัวเองหรือไม่ก็พูดให้คนอื่นฟังว่าใจจริงๆไม่อยากได้อะเนี่ยแต่ก็ไม่อยากให้หลุดมือนะอารมณ์คลมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันซับซ้อนบางทีตัวเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้เต็มร้อยว่ามันจะเอาอะไรกันแน่แต่ที่สุดแล้วนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ สุขอื่นเสมอความสงบไม่มีสิ่งที่คนต้องการเป็นอันดับสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยก็คือความสงบทางใจไม่ใช่ความว้าวุ่นใจตราบใดที่เราเรายังก่อเหตุของความว้าวุ่นใจอยู่ตราบนั้นเราจะยังถามตัวเองไม่เลิกเถียงกับตัวเองไม่เลิกว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีแต่ถ้าทำตามที่พี่บอกอ่ะมันไม่ต้องเถียงกับตัวเองแล้ว มันเห็นตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยสภาพที่ยอมรับว่าเนี่ยมันเกิดไอ้นี่ขึ้นนะเกิดอาการกระโจนออกไปเกิดอาการแบบแบบจะทุ่มสุดตัวของเราเป็นคนที่นิสัยเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการอาการมันมันเหมือนฟาดลงไปอะฟาดกําลังทั้งหมดที่มีอยู่ปรมลลงไปคงเข้าใจนะว่าอาการนั้นเป็นยังไงคือพูดง่ายๆว่า ปักเข้าไปเต็มที่อ่ะมันไม่มีการเผื่อใจแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มมาลำพึงลำพันนะไม่อยากเอาแต่ก็ไม่อยากให้หลุดมือเสร็จแล้วพออาการว่าขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นความรู้สึกว่าว้าวุ่นใจ ว่าเรากําลังทําสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูกอยู่มันไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางของความเจริญหรือว่าความถอยหลังก้าวหน้าหรือถอยหลังเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะต่างกันตรงที่เราเห็นอนาะการดิ้นรนตรงนี้มันน้อยลงไหมถ้าอาการตรงนี้มันยังดิ้นรนมากอยู่ขอให้บอกตัวเองว่าอันนั้นเนี่ยถ้าไม่ย่าอยู่กับที่ก็ถอยหลัง แต่ถ้าหากเห็นอาการดิ้นรนตรงนั้นอย่างยอมรับตามจริงว่ารู้สึกในลมหายใจต่อมาว่าเออมันแผ่วลงแล้วเรารู้สึกว่าจิตเป็นปกติมากขึ้นไม่มีอาการทุ่มสุดตัวมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่างๆเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้ที่เหมือนกับไม่มีอะไรข้างในมันกลวงนี่แหละคือความก้าวหน้าความก้าวหน้าจาไว้นะไม่ใช่ว่าความอยากมันหายไปนะแต่เราเห็นความอยาก มันปรากฏแล้วแสดงความไม่เที่ยงเนี่ยความก้าวหน้าอ่าเอียงนิดหนึ่งนะเอียงแล้วมาจ่อปากนิดหนึ่งผมมีข้อสงสัยอยู่ประมาณสองเรื่องนะฮะ <c oughs> เรื่องแรกที่ที่สงสัยคือว่าจริงๆเราโดยพื้นฐานตัวเองแล้วนะฮะ ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่ที่ชอบศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอ ง, นะพงเพียงแต่ว่าก็จะก็ ส, กสนใจเรื่องพุทธศาสนานาเหมือนกันพเพียงแต่ว่าก็สนใจแบบสนใจแบบห่างๆไม่ได้เข้าไปใกล้มากนักที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีปัญหานานะมีปัญหาเนี่ยเวลามีอารมณ์ที่พุ่งพลาดเนี่ยก็จะใช้วิธีกดมันควบคุมจะชอบฝึกตัวเองโดวยใช้วิธีเอาชนะตัวเองควบคุมตัวเองให้ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มเข้าไปศึกษาเรื่องของวิธีการนั่งสมาธิแรงต่งนะฮะแต่ผมเองก็ไม่ได้เป็นคนปฏิบัติมากแต่ก็ศึกษานะฮะก็ทราบว่ามันมีวิธีนึงก็คือใช้วิธีการดูมันนะฮะหลงัลงๆเนี่ยรู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะถูก จ, จริตกับเรามากเพราะว่าหลางัลงๆมาทําให้เราสามารถที่จะถอน ความรู้สึกตรงนั้นมาได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะโดยที่ไม่ต้องไปกดมันนะฮะอันนี้คืออันนุมโมทนาท<ร>เพราะว่าดูใจเย็นลงจริงครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับเรามากมันทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปผมเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเชื่อในความจิตตัวเองค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะจริงล้วก็จะรู้สึกว่าการปฏิบัติบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องแค่เราเข้าใจมันเนี่ยมันก็มันก็มันก็นก่าจะถูกต้องแล้วนะฮะแต่ ช่วงปีที่ผ่านมาได้ไปปฏิบัติอยู่สองครั้งนะฮะเมื่อตอนต้นปีครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนกลางปีครั้งหนึ่งเขรู้สึกว่าตอนช่วงไปปฏิบัติ4ีหวันนี่รู้สึกว่าจิตมันมันมีความสุขมากคือมันสบายมากมันนิ่งมากมันเบามากแล้วก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ก็คงตั้งใจว่าจะจะปฏิบัติอย่างเงี้ยปีนึงประมาณทั้งสอครั้งเพื่อให้เพื่อให้มันรู้สึกว่าพอทุกครั้งที่ปฏิบัติกลับมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะถอนความสุกเราได้เร็วขึ้นนะฮะ ที่ผมสงสัยคือว่าคือผมเนี่ยดำรงสถานะอยู่ในทางของคารวาสอยู่นะฮะเราทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติในวัดนะฮะในวัดที่เมื่อสกู๊พี่ตุลบอกว่ามันเป็นอุปทานคือมันเป็น Environment ที่มันช่วยทําให้เราเนี่ยนิ่งขึ้นนะฮะก็เลยสงสัยเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเราคิดว่าไม่ไม่น่ใจว่าไม่อยากจะเกิดมาไม่รู้จะเกิดมาทําไมนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีความเป็นต้องเกิดมา แล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงไม่มีความจยูเป็นจะต้องเกิดอีกเนี่ยนี่คือความคิดของผมตัง้งแต่เด็กๆ mm hmm. ก็เลยคิดว่าจริงจุดสุดท้ายของผู้ศาสนา ก, ก็คือการที่คุณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วถูกไหมฮะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าการดํารงชีพแบบที่เป็นคาราวาสปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีปัจจัยที่เข้ามากระทบอารมณ์เราเยอะมากฮะบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็แต่พอเข้าไปในจุดที่เป็นเข้าไปในเข้าไปปฏิบัติในวัดเนี่ยมันสงบจริ ง, รงๆที่สงสัยคือว่าถ้ายัางดํารง สถานะตัวเองอยู่ในเพศที่เป็นคาราวานี่ฮ ะ, ะสิ่งที่เราอยากจะไปให้ถึงสุดท้ายเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือไปตอบแบบฟิกส์เลยเนี่ยนะต่ตัวว่าเป็นคาาวานี่ปฏิบัติไปถึงที่สุดได้ไหมเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันแต่ละคนะพูดเป็นตรงตัวคืออย่างของคุณเนี่ยมันจะ เ, เหมือนกับทําไปโดยที่ไม่ได้ไปอยากไม่ได้ไปหวังอะไรมากจริงนะมันทำไปตามหน้าที่อันนี้อันนี้เป็นส่วนที่เป็นทุนก้อนหนึ่งแล้วทุนอีกก้อนหนึ่งคือว่าคือความถือสาหรือว่าไอ้ความจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับชาวโลกเขาเนี่ยมันน้อยลงจริง น้อยลงนะไม่ใช่หายไปนะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นสติอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไอตรงนี้ทุนก้อนนี้ที่มันยังน้อยอยู่มันมันจะไปอยู่กับความคิดในหัวมากกว่าคือตอนนี้คิดอะไรเป็นธรรมะเยอะขึ้นก็จริง แต่มันก็เป็นลักษณะความคิดมากกว่าความรู้ตัวไอ้ความรู้ตัวในแง่ของการมีสติอยู่กับกายใจอะนะคือตอนนี้มันมันเห็นโลกด้วยอาการของคนที่พร้อมจะปล่อยวางจริงแต่ว่าสิ่งที่จะปล่อยวางเนี่ยมันคือชีวิตทั้งชีวิตไม่ใช่สภาพทางกายทางจิตอย่างนี้ มันคนละอันกันนะอย่างตอนนี้ถ้าถ้าจะต้องตายไปเลยเนี่ยมันอาจจะกลัวขึ้นมานิดเดียวหรือว่าอาจจะไม่รู้สึกว่าเออมีอะไรเป็นที่ว่าจะพลุงพลังติดพันไปมันอาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้แต่มันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่าจิตเนี่ยเป็นตัวตนเนี่ยยังไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าสติยังไม่ได้เจรเินเข้ามาภายในขอบเขตของกายในขอบเขตของจิตเต็มบริบูรณ์ ที่พระหรหันท่านเป็นพระอรหารต์กันได้แล้วส่วนใหญ่นั่งสมาธิเดินยนกลมกันมากเนี่ยก็เพราะว่าทําให้สติบริบูรณ์ขึ้นมาในขอบเขตของกายใจนี้คือไม่ใช่ท่านจะมานั่งสมาธินิ่งๆหรือว่าจะเดินยนกลมเพื่อเอาจํานวนชั่วโมงไปดานชั่วโมงนะแต่ว่าท่านเอาความเข้มข้นของการรับรู้เข้ามาในกายในใจโดยที่ไม่ส่งออกไปข้างนอก ไอ้ตรงนี้คือพ้อยที่ต่างกันจริงๆไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับบ้านประเด็นคืออันนี้มันเหมือนยังไม่ได้สร้างความเคยชินที่จะเข้ามาอยู่ยกับกายใจจริงๆแต่มันจะเข้ามาเป็นแวบบๆเมื่อเกิดข้อสังเกตอย่างของคุณข้อสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณว่าตอนตอนที่ทํางานไปหรือว่ามีอารมณ์คิดเกี่ยวกับธรรมะแล้วใจมันว่องว่องขึ้นมาเนี่ย มันจะสังเกตตรงนั้นรู้สึกว่าว่างรู้สึกเหมือนกับ ก, กลวงๆรู้สึกเหมือนกับเออไม่มีอะไรให้ยึดคล้ายๆใจมันจะปล่อยแต่ขอให้สังเกตดีๆนะมันต้องมีข้อเปรียบเทียบต้องมีใจที่มันปล่อยจริงๆปล่อยเด็ดขาดจริงๆเนี่ยมันจะโปร่งกว่านั้นอ้นี้มันยังมีอะไรคลุมๆอยู่คือมันพร้อมที่จะกลับมายึดยึดโดยความเป็นกายยึดโดยความเป็นจิต เวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึง เ, เรื่องของการดับทุกข์ถึงที่สุดทุกข์ท่านมักไม่พูดว่าจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจินตนาการเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของเรานะีคือมีตัวตนตายจากความเป็นอย่างหนึ่งมาสู่ความเป็นอย่างหนึ่งมีตัวตนตลอดและตัวตนนั้นเวียนว่ายตายเกิดไปซึ่งนั่นเป็นมุมมองที่ผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่สุดของความเป็นทุกข์ที่ตั้งของความเป็นทุกข์คืออุปาทานขันห้าหมายถึงขันห้าอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากเรามองนะว่าอยากจะถึงที่สุดทุกข์จริงเนี่ยเราต้องมองว่ากายใจนี้มันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น มันไม่ใช่ว่ามีตัวตอนนี้ให้เราต้องทําลายหรือว่ามีตัวตอนหน้าให้เราต้องพยายามส ก, กัดกัน้นไม่ให้มันเกิดอีกแต่เราต้องเห็นเข้ามาที่วินาทีนี้เลยว่าขันห้าอันเป็นเหยื่อล่อของอุปทานเนี่ยมันตั้งอยู่แล้วเราดูได้ชัดไหมถ้าหากเราไม่สามารถเห็นความเป็นกายเห็นความเป็นจิต โดยความเป็นขันห้าได้เราจะยังมีความยึดมั่นหรือมั่นเรื่อยไปอย่างเช่นเรารู้สึกว่าไม่อยากเกิดอีกตัวไม่อยากเกิดอีกเนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นเองตอนตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยส่วนใหญ่มันสะท้อ น, ถ, อนถึงบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมาแล้วในการเจริญสติบนเส้นทางนี้แต่ตรงนั้นบุญบา ร, รมีนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนมันยั ง, สยงสแสดงออกมาในรูปของความเข้าใจผิดอยู่ คือไปเข้าใจว่าเราไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้วไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนี่ที่มาค่อยๆทําให้มันเข้าใจถูกเนี่ยก็คือค่อยๆต่ล่อมเข้ามารับรู้ยอมรับสภาพที่มันกําลังเกิดขึ้นนี่อย่างตอนเนี้จิตอยู่ในสภาพรับรูบร้มันมันเหมือ น, นเห็นท่านั่งเห็นท่านั่งได้มันยังมีอาการเกรงที่แขนนิดนึง นะและยังอยู่ในท่าที่เออนึกสึกสบายอยู่และอาการทางใจเนี่ยบางทีมันก็ว่างไปเฉยๆบางทีมันก็ปั่นป่วนขึ้นมานิดนึงเนี่ยอย่างลักษณะที่เป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเห็นภาวะของขันห้าแต่เห็นถามตัวเองว่าเห็นบ่อยแค่ไหนมันเห็นหลังจากที่ผ่านการคิดแล้วมันไม่ได้ฝึกซักซ้อมจนเห็นเป็นปกติ ของผมอยู่ที่ตรงนี้นะคือไม่ได้บอกว่ามายังไม่ถูกทางมาถูกทางแล้วแต่ถามว่าสติมันจะเพิ่มดีกรีขึ้นเป็นเต็มบริบูรณ์ได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราสร้างความเคยชินขึ้นมาอย่างที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าตอนใกล้ตายนะมันมีสิทธิ์ปัดได้มีสิทธิ์บรรลุเป็นโสดาได้ แต่ยังไม่ถึงอะระหารันมันยังมีเคลือบอยู่แต่ตัวโสดานี่นี่ไม่ได้มาประกันนะไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นนะแต่บอกว่ามีสิทธิ์ด้วยอาการดําเนินจิตแบบนี้คือเพราะว่ามันมันเริ่มถอนจากไอความหลงว่าเนี่ยกายนี้ใจนี้เป็นตัวตนแต่มันไม่เต็มบริบูรณ์แล้วตราบใดยังไม่เต็มบริบูรณ์เนี่ยแม้แต่โสดาก็ประกันไม่ได้แค่มีสิทธิ ส่วนประเด็นที่2มันก็คงเป็นเรื่องต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าจริงๆคนเราเกิดมานี่คมันจริงมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆเราเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณพี่ทุนบอกวิลล่าของเราใช่ไหมฮะวิลล่าของเราวันจริงแล้วก็มีพี่น้องอีกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเราเราเรากำหนดได้ต่อไปก็คือครอบครัวแล้วก็บุตรใช่ไหมฮะวันจริงผมเองก็จะอย่างที่บอกมีพื้นฐานวิธีคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เหตุของการเกิดเนี่ยจริงๆตอนเด็กเราก็ไม่รู้เหตุว่าเราจําเป็นต้องต้องมีบุ นะนี่คือสิ่งหนึงที่เรามันติดตัวมาตลอดเนี่ยนะเราดเด็กๆเราคิดมาตลอดเฉนั้นพอเรามีครอบครัวนะมันก็มีความคิดที่แตกต่างกันระหว่างร่างคู่ครองทั้งสองคนที่บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีบุตรแต่คนหนึ่งอยากจะไม่มีบุตรเนะี่ยผมก็พยายามจะไปคิดแล้วก็สอบถามหลายคนนะบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะไปห้ามไม่ให้ไม่ให้สิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จริงๆเราก็ยังหาเหตุให้มันเกิดขึ้นมาไม่มีเหตุอันนี้คือแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีพระราหุลก็ไม่ได้พระราหุลก็เหมือนกับตามท่านมาเกิดแล้วจากประวัติจากในคัมภีร์ก็เห็นว่าท่านตามกันมาตั้งไม่รู้กี่พระกี่ชาตินะบางทีเหตุผลบางอย่างถ้าเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องเชื่อต่อไปด้วยว่าเราไม่รู้เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้แค่ปัจจุบันแค่0 0นย์จของความจริงทั้งหมดไอ้ที่มันเป็นแรงดันไอ้ที่มันเป็นเหตุผลว่าใครจะต้องเกิดกับใครหรือว่าเราจะต้องมีหรือไม่มีลูกเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของความอยากมีหรือไม่อยากมีนะบางทีมันมีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นในที่ซับซ้อนไปกว่านั้นถ้าเราบอกตัวเองว่ารู้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้แต่ เราสามารถที่จะมาไตรตรองได้ว่ามีไปแล้วเนี่ยสบายใจหรือเปล่าที่จะเลี้ยงเขาคือถ้ารู้สึกไม่สบายใจตัวเดียวนะอย่ามีดีที่สุดจริงๆถ้าถามส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าจริงๆเท่าที่เราสังเกตจากคนรอบข้างคือผมเป็นคนที่ครอบครัวใหญ่แล้วก็มีพี่น้องเยอะก็จะเห็นว่าทุกคนก็จะเหมือนกันจกเหมือนกันหมดก็คือว่าเหมือนกันหมดทุกคนว่าคือคือทุกคนพอมีปุตแล้วเนี่ยนะผมว่า ความสนใจของคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะอยู่ที่บุตรแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ตัวเองมันก็จะถูกละเลยปล่อยวางไปบ้างคือตอนนี้เนี่ยภาระที่ผมรู้สึกว่าเป็นห่วงก็คือคุณพ่อคนเดียวพี่น้องผมไม่รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าทุกคนดํารงตนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่แล้วนะครับคู่ครองก็ไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยนะครแล้วผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นมาผมไม่มีบุตรใช่ไหมฮะเราเองก็ไม่มีความมั่นใจว่าในด้วยสภาวะจิตเราอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะ ทำให้เร า, เาไม่ห่วง เ, เขาได้หรือเปล่ า, อาของคุณไม่ห่วงไม่ได้หรอกเพราะว่าพอมีลูกก็จะรักลูกลูกที่ออกมาจะเป็นคนดีน่ารักอพอลูกเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะไม่ต้องไปถอนหรอกถอนไม่ได้หรอก ประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าว่าเราสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้แค่ไหนว่าเราอยากจะได้อะไรจากชีวิตนี้แะคนอื่นมีความสามารถที่จะยอมรับสิ่งที่เราต้องการได้ขนาดไหนด้วยตรงนีค้คือโจทย์ที่แท้จริงคือโจทย์ใหญ่อย่าไปอย่าไปคิดเรื่องที่ว่าที่เราจะห่วงหรือไม่ห่วง มันจะเสียเรื่องการปฏิบัติไหมนี่เป็นโจทย์ที่มันไม่ตรงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงห่วงมันก็สามารถที่จะเอาความห่วงมาเป็นเครื่องมือปฏิบัติได้แต่ตรงโจทย์ตรงที่ว่าเราสามารถจะเลือกได้ไหมว่าเราจะกำหนดชีวิตให้มันเป็นไปยังไงตรงนี้สำคัญกว่าเพราะว่าถ้าถามเอาจาก คนที่อยู่บนเส้นทางของการเอาที่สุดทุกจริงๆนะลูกไม่ใช่คำตอบลูกเนี่ยคืออุปสรรคถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ในขนาดเดียวกันคือถ้าโจทย์ของเราโจทย์ในชีวิตของเรามันไม่สามารถที่จะไปบีบคั้นคนอื่นให้เขามายอม เห็นดีเห็นงามตามเราเนี่ยมันก็อาจจะคิดได้ว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นเครื่องมือปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละแ ย, ยกเป็นสงประเด็นนะ ที่เราปล่อยให้ทุกอย่างมันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยสมมุติอย่างที่พี่ตูนบอกว่า อ, าอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีลาหุ่นที่ตามท่านมาทุกๆชาติใช่ไหมฮะสมมติถ้าสมมุติว่าผมมีคนที่ตามผมมาเหมือนกันใช่สมมุติแบบนั้นไม่ได้อันนี้ตรงนี้อันตรายนะครับคือเราไม่ได้รู้จริงๆไงว่ามีหรือไม่มีคือทุกคนเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่มากันหมดแหละแต่ว่าแรงดันที่จะทําให้ต้องมีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ต่างหากเมื่อกี้ที่พี่พูดคือคือไม่ได้บอกว่า เฮ้ถ้ามีใครตามมาเนี่ยเราควรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตรงนั้นไอการที่เราไม่อยากมีแล้วเร า, เาตั้งใจว่าจะไม่มีนี่ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะธรรมชาติของคนที่มาเพื่อที่จะมาหยุดตัวเองไงมีพระอรหันต์เยอะแยะที่ไม่มีลูกนี่ได้ยินแบบบางทีหลวงปู่เหรียนบางทีหลวงพ่อพุทธเนี่ยก็ บอกเราไม่เคยมีลูกเห็นเด็กก็รู้สึกเอ็นดูนี่แสดงว่าไม่ใช่ว่าคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยจะไม่ใหญ่ดีกับพวกเด็กพวกอะไรแต่เส้นทางของท่านเนี่ยท่านกัดกั้นไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องมีคือไม่ใช่ใจร้ายไม่ใช่ว่าแบบท่านไม่มีลูกติดตามมาลูกท่านอาจจะปรากฏเป็นลูกติดลูงหา ที่มากราบไหว้ท่านแลวให้ท่านสงเคราะห์ก็ได้คือประเด็นของการเป็นลูกหรือการที่หอบพิวกันมาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดบางทีสลับกันก็มีบางทีชาตินี้เป็นพ่อบางทีชาตินี้เป็นลูกสลับตากันอย่างนี้ก็มีอย่างมีค ด, ดเีเด็กระลึกชาติเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นปู่มา ไอ้ตัวคนพ่อก็ไม่เชื่อพูดนั้นพูดนี่พิสูจน์เสร็จแล้วโอเครู้ในเรื่องที่ไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้นอกจากตัวเองกระปู๋ก็เลยเชื่อเนี่ยมันสลับกันไปมาคือไอ้คาว่าการเวียนไหวใจเกิดหรือภพภูมิเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดๆนะอย่างที่เรารู้สึกเนี่ยก็คือว่ามีภาวะหนึ่งภาวะใดกับใครก็น่าจะมีภาวะนั้นไปตลอด เหมือนไงเวลาศัตรูจะจองเวรกันเนี่ยกูขอจองเวรกับมึงไปทุกมบุกทุกชาติจริงบางชาติเป็นเพื่อนที่แสนดีก็มีแล้วไม่ต้องไปข้ามพบข้ามชาติบางทีเนี่ยนะในชาติเดียวกันบางคนบางทีก็เป็นมิตรบางทีก็เป็นศัตรูมันขึ้นอยู่กับปีไหนสถานการณ์ใดพ่อแม่ลูกกันเหมือนกันนะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนคําว่าอนิจังใช้ได้กับทุกสถานะแม้กระทั่งภาวะของพ่อแม่ลูก ภาวะของญาติภาวะของมิตรสหายหรือศัตรูนะค่ะสวัสดีค่ะคุณดังเทรนจะขอถามเพียงคำถามเดียวค่ะคือว่าเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมเมื่อบรุอรหัตผลหมดเวรหมดกรรมทันทีนะจะไม่ต้องไปต่อเวรต่อกรรมแล้วก็พระอรหันต์เท่านั้นที่ ออพอคือท่านก็ยังเสวยกรรมต่อไปจนถึงที่สุดของขันพอสุดสิ้นขันแล้วเนี่ยตรงนั้นจะมีคําว่าอโหสิกรรมคําว่าอโหสิกรรมเนี่ยไม่ใช่แบบเดียวกับที่คนไทยใช้ใช้กันมานะอโหสิกรรมของตั้งเดิมเลยเนี่ยหมายความว่าไม่ต้องไปรับกรรมอีกหมายถึงกรรมหยุดให้ผลกรรมหมดอายุแล้วนะหรือไม่ก็เป็นพระอราหันต์ที่ดับขันเข้าปริณิพานไป เ, เข้าพระนิพานไปเพราะฉะนั้น ถามว่าเมื่อไร่จะหมดเวรหมดกรรมเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่ถูกมันไม่มีใครหมดเวรหมดกรรมไม่ต้องเบชดใช้ไม่ต้องไปรับกรรมได้ประเด็นก็คือเราจะสร้างเราจะทําอย่างไรในปัจจุบันให้รับผลกรรมแบบเดิมด้วยความสุขมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อย่างเวลาที่เรามาเจริญสติคําว่าความหมายของการเจริญสติก็คือให้เห็น ว่าทั้งภาวะอาของร่างกายก็ดีหรือภาวะของจิตใจก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เรารู้สึกได้ถึงความไม่เที่ยงภายในขอบเขตของกายใจใจเราเป็นอิสระแล้วมีความสุขมากขึ้นแล้วต่อให้เรารเผชิญสถานการณ์ภายนอกที่กำลังเป็นทุกข์หนักอยู่ขอเพียงมีความรู้สึกเข้ามาเอานีหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะ แล้วความทุกข์แบบบางทีโอกรธน้องเลยบางทีเหมือนโอ้โหมีใครมาบิดไส้อยู่นะไอ้ความทุกข์ระดับนั้นเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นได้ถ้าหากว่าเราสังเกตแต่มันจะปรากฏเป็นของที่มีกําลังเท่าเดิมบีบคั้นเราได้เท่าเดิมถ้าหากเรามัวแต่มีความคิดว่านี่เป็นเวรเป็นกรรมแล้วเราไม่หลุดพ้นจากเวรกรรมไปสักทีมันจะล็อกความรู้สึกเป็นทุกข์ไว้เท่าเดิมทุกประการ ถึงแม้ว่ามันกำลังจะต่างไปให้ดูเป็นลำดับก็ตามแะของคุณเนี่ยคือมันมีความทุกข์อยู่มันมีสภาพทุกข์อยู่จริงบีบคั้นบีบคั้นอยู่จริงนะแต่จิตใจเนี่ยให้ความร่วมมือกับมันพอมีอะไรมาเตือนสกินิดนึงอะ่ะบางทีไม่ใช่เจ้าตัวไม่ใช่ต้นเหตุต้นต่อจริงๆ แต่มีภาพมีเสียงหรือว่ามีคนที่มีความสุขกว่าเรามากระทบผูกกระทบตายบางทีมันเกิดความรู้สึกเศร้าจมขึ้นมาทันทีความรู้สึกเศร้าหมองที่มันสวนออกไปเป็นอัตโนมัติเนะี่ยตัวนี้เกิดขึ้นจากการที่เรายอมที่จะเป็นทุกข์โดยไม่ให้สติมันเจริญขึ้นมาบ้างเลย ยางพอนั่งสมาธิมันก็นั่งด้วยอาการที่อยากหายหายเศร้าอยากจะอยากจะพ้นจากภาวะตรงนี้ไปเขียนมแม้กระทั่งตอนนั่งสมาธิที่จิตใจควรจะปลอดโปรง่งที่จิตใจควรจะสะอาดจากความอยากมันยังมีความอยากเจือปนอยู่มันยังมีต้นเหตุของความทุกข์เจือปนอยู่ในขณะที่เรากำลังฝึกเจริญสตินั่งสมาธิ นี่อย่างตอนนี้มันค่อยเคลียร์เพราะเราพูดถึงความอยากอยากจะหายอยากจะได้ขาดจากไอ้ความทุกข์นะแล้วเราควรจะปฏิบัติยังไงให้มีผล เ, เรียกว่ามีพัฒนาการมากขึ้นมากขึ้นนะคะแบบนี้มันต้องมันต้องฝึกในขณะที่เกิด ณจุดเกิดเหตุนะเพราะตอนนั่งสมาธิเนี่ยมันยังจมอยู่กับความคิดมันยังเป็นการนั่งสมาธิแบบจมอยู่กับความคิดวิธีที่ถูกต้องคือเวลาไ ป, ไปเผชิญหน้ากับต้นเหตุความทุกข์อย่างจริงจังเนี่ยนะให้ดูว่าอารมณ์ของเรามันมีอัตโนมัติเป็นยังไงอย่างนี้มันจะคล้ายๆรู้สึก รัดอกรัดใจมันเหมือนมีอะไรร้อยรัดเข้ามาแล้วทําให้จมจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความรู้สึกเหมือนไปไหนไม่ได้เหมือนติดคุกเห็นอาการเหมือนติดคุกไหมมันมันคล้ายกับถูกบีบอะถูกบีบให้ตัวเล็กเป็นลูกหนูอะแล้วก็อยู่ในที่คับแคบหายหายใจไม่ออกเพราะจิตมันเข้าไปยึดอยู่กับเรื่องอย่างเหนียวแน่น ทีนี้ถ้าหากว่าณนะจุดเกิดเหตุเลยเราเรารู้แล้วว่าเนี่ยมีความยึดเหนียวแน่นขึ้นมาแล้วมันมีความร้อยรัดมันมีความเศร้ามันมีอาการจมแล้วเราสามารถเห็นอาการตรงนั้นได้โดยความเป็นสภาวะเหมือนกับต้องฝึกนิดนึงนะอ ย, งอย่างของคุณเนี่ยพอหายใจมันจะหายใจแบบทำให้อึดอัดหายใจแบบเพือกขึ้นมา ด้วยความรู้สึกเหมือ น, นจะค น, คนถอนใจอ่ะคนจะถอนใจอ่ะนี่ถ้าเราหายใจด้วยอาการที่เหมือนกับที่เราฝึกกันไปตอนช่วงต้นมาทันใช่ไหมเหมือนกับเราเราจะหายใจด้วยอาการที่ว่าเออจะอาศัยเป็นเครื่องแบ่งว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีความร้อยรัดมากแค่ไหนแล้วพอเราหายใจต่อมาอาการร้อยรัดนั้นมันคลายตัวลงบ้างหรือเปล่า ถ้าคลายตัวเราสังเกตได้เลยฝ่าเท้าเราจะสบายเราจะผ่อนคลายขึ้นฝ่ามือมันจะสบายขึ้นนะเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างตอนเนี้ยที่มันรู้สึกสบายไม่ใช่เพราะนั่งสมาธิแต่มันเพราะเห็นเห็นตามที่ผมพูดเห็นเห็นตามไปตามลำดับอาการที่เห็นเข้ามาายในสภาวะภายในตามลาดับเนี่ยมันต้องอาศัยความใจเย็นตรงนี้แหละ ที่จะเป็นพ้อยเวลาที่ไปปฏิบัตินะอย่าใจร้อนของคุณมันชอบใจร้อนคือพอเศร้าปุ๊บทุกปุ๊บเนี่ยมันจะอยากหายปับ๊บซึ่งตัวนั้นเน่ไปเร่งความทุกข์ขึ้นเป็นทวีคูณมันหายไม่ได้ก็ต้นเหตุมันยังอยู่อะแรงดันของต้นเหตุมันยังอยู่มันจะไปหายทุกได้ยังไงแล้วเรายิ่งไปเพิ่มแรงดันเขาไปอีกด้วยความอยากจะหายทุกนะ แล้วจริงๆเ่ยกลงขังนะเชื่อผมนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คนอื่นเข้ามาเอากลงมาครอบแต่ความคิดของเราเองที่ครอบตัวเองแล้รู้สึกวันนี้มันเป็นวิบากมันเป็นกรรมมันเป็นเวรที่เราจะต้องรับผลอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆเนี่ยที่เห็นนะถ้าใจเราไม่คิดถ้าเราไม่ไปตรึกนึกนะมันมีเวลาที่ต้องทุกข์จริงๆไม่กี่นาทีหมายถึงว่าต้องทุกข์จริงๆนะ เจอแรงกระทบจริงๆไม่กี่นาทีนอกนั้นมาแกล้งตัวเองหมดเลยมาแกล้งตัวเองด้วยการไม่ลืมไม่ยอมปล่อยคือแค่หาอะไรทาที่มันมีความสุขที่มันจะเป็นไปนในทางธรรมะเป็นไปนในทางสว่างมันมีโอกาสอะ มันมีโอกาสเยอะแยะเลยคนอื่นเขาไม่มีนะแต่ของคุณมีเยอะเลยแต่เลือกที่จะไปจมอยู่กับความทุกข์ด้วยวิธีคิดย้ำคิดย้ำทำนี้พอเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่คลายออกมันเป็นอาการคลายจากสภาพความเคยชินนเดิ ม, ดมๆทางจิตมันไม่ใช่คลายเพราะว่าสถานาการณ์คลี่คลายแต่ ถ้าหากว่าใจนะมันมีอาการคลี่คลายได้อย่างนี้เรื่อยๆนะจะพบความมหัศจรรย์นะมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งอย่างหนึ่งของการเจริญสติคือสถานการณ์ภายนอกมันจะดีตามด้วยมันจะคลี่คลายตามไปด้วยแต่ไม่ใช่ไปอยู่ๆไปอยากให้สถานการณ์ข้างนอกคลี่คลายทันทีนะอย่างนั้นมันไม่เวิร์อย่างนั้นมันจะไปยิ่งทำให้ภาวะข้างนอกมันปั่นป่วนตามจิตของเรา ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้โลกทั้งใบเนี่ยคือจิตคือกายกับจิตเนี้ยของจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบข้างนอกอ่ะมันบางทีไม่ได้ส่งมาจากอดีตชาติอย่างเดียวมันส่งมาจากความปั่นป่วนหรือว่าความเรียบสงบที่จิตใจของเราเองด้วยนะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไปเพิ่มการทำรูปแบบตอนนี้เหลืออยู่แค่นิดเดียวนะเออตรงที่มันอึดอัดที่มันแน่นๆที่มันขัดแย้งอะไรเนี่ยเหลืออยู่แค่นิดเดียวถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์อะให้สักสิ็จากจากเดิมเนี่ยคือมันยังมีอยู่มันเราจะยังรู้สึกเหมือนขัดขัดคาคาอยู่แต่มันน้อยลงมากมันเหมือนโปร่งเบาไปนะ เราสังเกตอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เห็นผลเลยว่ามันไม่เที่ยงเรารู้สึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็นอกจากจะแสดงความหนัก บ, บ้างเบาบ้างในช่วงขนาดนั้นน่ยมันยังแสดงตัวในช่วงช่วงกว้างช่วงยาวด้วยนะว่ามันเหมือนกับมีอาการเว้นวักไปนานขึ้นก็รู้สึกว่าจิตมันมีกําลังขึ้นในการที่จะเจริญสตินะครับบางทีเดินจังกรมก็ เหมือนว่ามันเห็นร่างกายที่มันเดินไปเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็บางครั้งเนี่ยเวลามันเห็นแบบนั้นเนี่ยสึกว่ามันรู้สึกกลัวขึ้นมาก็เข้าใจว่าก็มันก็เป็นจิตทดใช่ความกลัวเนี่ยก็คือจิตทดเราก็เห็นจิตโทดไปอย่าไปอย่าไปนิยามว่ามันคือความกลัวคือมันกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอะเราอะนะพอแม้กระทั่งว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชัดๆบางทีมันก็เกิดความกลัว เนมือนคนกลัวประสบความสําเร็จเคยได้ <c ười> ยินไหมบางทีมีปัจจัยพร้อมทุกอย่างแต่กลัวประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงค น, นชอบจมอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆชอบจมอยู่กับสภาพแบบเดิมๆก็รู้สึกว่ามันเป็นพัฒนาการนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันกลัวกับมาเห็นแบบความสำเร็จแบบนั้นกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมมันเป็นแค่ภาวะจิตทด น้องไปนิยามใหม่อย่านิยามว่าเป็นความกลัวนิยามว่าเป็นภาวะจิตหดไม่อยากที่จะเปลี่ยนจากสภาพเดิมอันนี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราจิตที่มันคุ้นเคยที่ชินกับความเป็นอะไรอย่างหนึ่งมาเป็นสิบสิบสบสบปีเนี่ยนะมันไม่อยากที่จะแตกต่างไปจากเดิมถามว่าเหตุผลคืออะไรทั้งทัที่มันจะดีขึ้นชัดๆจิตมันบอกไม่ได้เพราะจิตมันถูกโมหะ ครอบอยู่พูดง่ายๆว่าจิตของเราทุกคนนะมันโง่อยู่หลงอยู่จมอยู่กับสิ่งที่มันยึดติดเหลือเกินเนี่ยพอมันทึกทักว่าอะไรเป็นตัวเป็นตนของมันมันก็จะนึกว่าสิ่งนั้นแหละดีที่สุดเซฟที่สุดสำหรับมันแต่พอมันเริ่มจะต่างไปบางทีมันก็รู้สึกกล้าๆ ก, ก, กลัวๆไม่อยากประสบความสาเร็จขึ้นมาเฉยๆ ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคือคืออยากเล่นถามพี่ตุนนะคะว่าที่ปฏิบัติอยู่คือเข้าใจว่าตัวเองพยายามจะมีสติพยายามจะสร้างสติให้ตัวเองในชีวิตประจําวันแต่ว่าคือเข้าใจว่าตัวเองเหมาะกับการดูลมะคะ่ะเหมือนสังเกตว่าจิตชอบไปดูแต่มันก็จะมีโมหะที่เป็นการง่วงนอนซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจาก อะไรของตัวเองหรือเกิดจากความเจ็บป่วยในร่างกายที่มันยังไม่ที่มันเหมือนป่วยป่วยเป็นอะไรเลยอ๋อเป็นเนื้องอกในสมองอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าผ่าตัดแล้วอะค่ะมันก็มีผลรบกวนอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าเมื่อไรเราจะเริญสติได้ถึงขั้นที่มันมีสติอยู่กับจิตเพียวๆเลยเนี่ยนะไม่ต้องอไม่ผูกไม่โยงกับร่างกายมากเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกสบายขึ้นจะรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะตอนนี้มันเหมือนยังมันเหมือ น, มนเหมือนบางทีก็รู้แต่พอมันอยู่กับใจมันก็สงบแต่สักพักมันจะเริ่มมีความง่วง ไ, ไงพ อ, อพอเรารู้สึกอ่ะ ถึงอะไรที่มันเบาที่มันเป็นสภาพที่มันเป็นนามธรรมอะเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันก็ตื่นอยู่แต่นี้ไอ้ส่วนของสมองส่วนของอะไรเนี่ยที่มันไม่บาลานซ์เหมือนเดิมอะเราจะรู้สึกเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างนะที่มันมันทวงหนักๆเดิมเนี่ยพอมันหายไปแล้วมันก็จะโครงเคลงง่ายอะไรทํานองนั้นนะ่ะเ อ, อี่ แต่ถ้าจิตมีความตั้งมั่นกว่านี้แล้วก็เรารู้สึกถึงภาวะของจิตได้ชัดกว่านี้ตรงนี้น่าจะหายไปนะระหว่างนี้ก็อย่าไปคาดหวังอย่าไปรอก็ให้ดูไปว่าเออมันมีอาการงกเงก้กถ้าอาการงกเงกก็แสดงความไม่เที่ยงได้เหมือนกันอย่างบางทีมันรู้สึกน้องรู้สึกเหมือนไม่ประลลานว่ะ คือเวลานั่งสมาธิแม่คล้ายๆในหัวมันแบบคอยจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนงงๆครับบางครั้งเออมันเหมือนงงๆอ่ะเนี่ยใช้คานี้ก็ได้พอรู้สึกเหมือนงงๆอ่ะคือให้ตั้งสติดูตรงนั้นแหละลมหายใจนี้มันงงๆอยู่มากไหมถ้างงๆอยู่มากก็เออเนี่ยลมหายใจนี้มันประมาณนี้แต่ลมหายใจหนึ่งเออมันดีขึ้นสักนิดนึงนะ เราก็เห็นบอกตัวเองว่าเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ติดตามเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นไปทีละลมหายใจตรงนี้มันจะช่วยได้ให้บาลานซ์มันดีขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออคล้ายๆเนี่ยอย่างคล้ายๆตอนเนี้ยที่มันคล้ายๆมีกําลังขึ้นมามีกําลังขึ้นมานิดหนึ่งจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาง่าย แต่ว่าที่ที่หมายถึงว่าวิหารธรรมในเรื่องดูลมนี่คือเหมาะกับตัวเองหรื อ, ร อ, อยังนะคะทุกคนเนี่ยมันเหมาะที่จะดูลมหมดแหละคนที่เข้าใจว่าตัวเองไม่ถูกจริตกับอาณาปานนสติคือคนที่ยังไม่เข้าใจว่าอาณาปานสติเขาทากันยังไงอย่างเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้แค่ดูลมหายใจแต่ท่านให้สังเกตว่าหน้าลมหายใจนี้มันมีอะไรเกิดขึ้น ในขอบเขตของกายใจนี้มันจะได้เป็นเครื่องแบ่งว่าเออเรามีจุดสองเกณฑ์นะว่าจุดนี้เนี่ยมันเข้มข้นอีกจุดหนึ่งมันคลี่คลายที่ผ่านมาเราคุ้นที่จะดูลมหายใจอย่างเดียวหรือเริ่มที่จะดูอะไรอย่างอื่นบ้างแล้วเนี่ยที่ประกอบกับลมหายใจเนี่ยก็ขอให้ทําความเข้าใจซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนกับที่พี่ไกไปตอนแรกนะ ว่ามันไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวดูด้วยมันยาวหรือสั้นดูด้วยว่าเออเนี่ยออจิตถ้าเกิดมันรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเนี่ยมันจะถอยออกมาเป็นผู้ดูนะเดี๋ยวมันก็มีความสุขเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็งงๆคือเห็นว่าแต่ละลมหายใจมีสภาพยังไงที่กำลังปรากฏชัดอยู่ในใจของเราแค่นั้นน่ถึงจะเรียกว่าอาณาปนานสตินะ แล้วกรณีที่เราทำแล้วเรารู้สึกง่วงนอนเราจะแบบคือมันจะควรจะก็ดูอาการง่วงกดดันของง่วงนอนอาการง่วงเนี่ยมันจะมีอาการกดดันมากกับน้อยอย่างอย่างถ้ากดดันมากเนี่ยมันเหมือนจะกำลังงุบไปแล้วมันเหมือนกับหน้ากำลังจะงําไปแล้วแต่ถ้ามันกดดันน้อยๆมันเหมือนจะแค่งงๆคือแค่เห็นความไม่เที่ยงของความง่วงก็สามารถที่จะตื่นขึ้นมาได้เหมือนกันนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเข้าห้องน้ำแปบบ๊บ ทำมาหลายปีแล้วครับไม่ทราบคุณดังตินมีอะไรชี้แนะต่อไหมครับมันก็ <c oughs> มันค้างตั้งแต่สักสี่ปีก่อนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อประโมทครับตอนแรกก็คิดว่าทําผิดแล้วเมียเขาบังคับให้ไปส่งผมก็ทําตามเมียสั่งก็ส่งปรากฏว่าหลวงพ่อบอกเออมันก็ตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาวะตรงนั้นเนี่ยหลังจากส่งกันบ้านหลวงพ่อเสร็จเนี่ย4ี่ปีมันไม่เคยกลับมาหาผมเลย จนช่วงหลังเนี่ยมันมันมันเริ่มกลับมาบ้างแบบประเภทบางทีกินข้าวอยู่เลยอย่างเงี้ยรมันจะมองโลกมองอาหารด้วยความรู้สึกที่มันรู้สึกเหมือนกับมันไม่เหมือนเดิมแต่ผมไม่รู้ว่านั่นคือขันห้ามันกระจายตัวหรือมันเพ่งหรือมันอะไร เอางี้ดีกว่าลองสังเกตนะระหว่างวันเนี่ยบางทีมันก็เหมือนคนใจเย็นบางทีมันก็เหมือนคนใจร้อนพอจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองใช่ไหมเวลาที่ใจร้อนเนี่ยมันจะคิดคิดคิ ด, คดไม่หยุดเวลาที่เหมือนคนใจเย็นเนี่ยมันเหมือนกับคนที่พร้อมจะรอได้เห็นความแตกต่างสองขั้วนี่ไหมถ้าไปสังเกตแค่ตรงเนี้ มันมีประโยชน์กว่าที่เราจะไปเอาภาวะที่มันพิสดารที่มันผิดแปลกที่มันอะไรเป็นแอดวานจะตื่นหรือไม่ตื่นจะเห็นเป็นภาวะอะไรต่อมีอะไรต่างเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่เหมือนกับบางทีเราไปสมมุติเอาว่านั่นคือแอดวานเข้าใจใช่ไหมแต่ไอภาวะที่ว่าเดี๋ยวบางทีก็เย็นเดี๋ยว่าบางทีก็ร้อนและบางทีเราไม่เข้าใจตัวเองนะ ค, คือเครื่องร่อเนี่ยบางทีเหยื่อร่อเนี่ยเหมือนกันแต่คนละวันกันเนี่ยมันกระทำกับใจของเราแตกต่างไปบาทีเรื่องเดียวกันใจเย็นได้แต่บางทีก็รู้สึกเหมือนรอไม่ได้พอมีไอ้ตัวสติที่รู้ว่าภาวะของใจตัวเองเนี่ยบางบางครั้งมันก็ เร่งเร่งขึ้นมาบางครั้งมันก็สงบสงบลงไปตัวนี้มันจะทําให้เข้ามาภายในขอบเขตของกายใจมากขึ้นเรื่อยๆคื อ, อย่างพอเร่งขึ้นมาเรารู้แล้วว่าเนี่ยหน้าตาของอาการเร่งมันเป็นแบบนี้มันเหมือนมีอาการปั่นจีขึ้นมาแล้วก็จะดรอไม่ไดแ้แม้แต่นาทีเดียวเนี่ยมันมันใจมันกระโจนไปข้างหน้านะ ในเพราะเรื่องงานถ้าไม่ได้อย่างใจบางทีต้องแบบไปไปตามเหาะกับใครแล้วไปถ้าใครมาลําบากแล้วนะแล้ของเราจะมีออกมาแบบเป็นชุดชุดเนี่ยคือคือเรามีความรู้สึกว่าเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้รู้สึกไหมว่ามันเหมือนว่าเราทําได้ยังไงเนี่ยเราก็คาดหวังให้คนอื่นก็ทําได้อย่างนั้นเร็วแบบนั้นครับ แต่ก็ขมก็ข่ขขมตัวเองได้ดีครับซึ่งซึ่งอาการข่มเนี่ยบางครั้งมันเหมือนพอมาบวกกับธรรมะมันทำให้ใจเราเย็นลงเป็นบางครั้งคือมันเหมือนกับเอเอใจมันนิ่งๆคือแต่ขอให้สังเกตดีๆนะตอนที่ใจเย็นเนี่ยมันไม่ได้เย็นแบบสบายนะมันเย็นในลักษณะที่เออเราอยู่กับธรรมะ ประมาณเนี้ยว่าเราเราเย็นอยู่กับธรรมะคือไม่ใช่เย็นแบบว่าเรื่องมีอย่างนี้นะแล้วเราจะเย็นเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราไม่ไปยินยอนสนใจแล้วแต่เย็นในลักษณะที่เออเราเย็นอยู่กับธรรมะเข้าใจพลอยที่แตกต่างไหมครับอ่าเนี้ยนี่พอเห็นว่าใจเนี่ยเดี๋ยวมันก็เร่งเร่งร้อนเดี๋ยวมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเย็นเย็นขึ้นมา สองภาวะนี้เห็นบ่อยเข้ามันจะรู้สึกถึงความแตกต่างแตกต่างตอนที่เร่งนะมันเป็นอย่างหนึ่งมันเหมือนอีกคนหนึ่งเลยภาพในใจของเราเนี่ยมันจะเป็นคนที่เหมือนนักวิ่งแข่งหรือเหมือนม้าที่พยายามจะเข้าวินะมันจะตะเกียกตะกายทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าวินให้ได้แต่ตอนที่เงียบสงบเงียบเงียบนิ่งๆงขึ้นมาเนี่ย เหมือนเหมือนคนที่ยืนดูพายุอยู่ด้วยความเหมือนเหมือนเรายืนอยู่กลางเรือเนี่ยเห็นพายุมาแนละ้วเราเราปักหลักยืนเฉยนิ่งเฉยอยู่ได้แต่เป็นอาการนิ่งเฉยแบบพยายามพยุงตัวเองคือมันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีพายุไม่ใช่ไม่มีแรงทําให้เราส่วนเสยแต่เราพยายามพยุงอยู่นะ เนี่ยมันมันจะเกิดความรู้สึกว่าเห็นภาพข้างในที่เป็นอาการปรุงแต่งของใจเราแตกต่างไปในแต่ละอารมณ์ตัวนี้แหละที่จะเห็นจริงๆมันไม่ใช่ว่าตื่นหรือไม่ตื่นแต่เห็นหรือไม่เห็นนะในแต่ละครั้งว่าตอนที่เรารู้สึกเร่งร้อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันลืมไปหมดจเจริญสติหรือว่าตื่นไม่ตื่นเห็นเป็นภาวะอะไรยังไง มันรู้แต่ว่าถูกรบกวนซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าแค่เรายอมรับตามจริงเข้ามาว่าอาการหน้าตามันเป็นยังไงนะมันอย่างที่ผมบอกเหมือนคนพยายามวิ่งเข้าวินเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นความไม่เที่ยงของสภาวะแล้วมันจะเห็นได้ชัดที่สุดตอนที่เรารู้สึกถึง ความใจร้อนที่มันลดระดับลงอย่างเป็นไปเองคือไม่ใช่เห็นเพราะว่าเราไปสั่งให้ตัวเองใจเย็นหรือว่ารอคอยหรือว่าเอาธรรมะมาประกบนะแต่เห็นว่าความใจร้อนเนี่ยมันต่างระดับไปได้ในแต่ละลมหายใจพอใจนะคราวนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองโมหะสูงแบบเหมือนเป็นวิบากก็พยายามฝึกสมถะด้วยนะ วิธีคุณดังตินก็ลอง ม, มันเป็นปัญญาจริตต่างหากคือนะฮะเป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นพวกแบบชอบคิดเป็นเหตุเป็นผลอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนะไอ้ที่โมหะครอบนี่มันใจร้อนมากกว่ามันเป็นอารมณ์แบบจะเอาให้ได้อะจะเอาให้ได้อย่างใจแล้วก็เหมือนกับ <c oughs> คือพอมันมันพูดตรงๆคือมันเหมือนเป็นสวนกลางจักรวาล น, นิดนึง <c oughs> นะคือพอเรารู้สึกว่าเราทำได้เนี่ยบางทีเราทำได้เร็วบางทีเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันมันถึงจะเรียกว่าคนที่เวิร์แล้วก็ไปคาดหมายว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องเป็นแบบเดียวกันเนี่ยพอเขาไม่เป็นคือใจเราก็จะหยุดไม่ได้ตรงนั้นมันเลยมีความรู้สึกเหมือนมีโมหะมีอารมณ์แบบคิดอะไรที่มัน มันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกต้องมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆไม่ใช่โมหะตัวตัวนั้นเป็นตัวโทสะมากกว่าครับเขานี้ก็ไปฝึกสมถะเพิ่มนะครับเขียนตัวอักษรที่ศูนย์กลางกายเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่า อ, อารมณ์ความแ ป, ปรปรวนอะไรมันลดลงไปเยอะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการทำอย่างเงี้ย น, นี่ไง<ะ>เมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่า ตอนที่ใจเย็นเนี่ยมันเย็นแบบมันไม่ใช่เย็นจริงรมันเย็นเย็นเพราะว่าเรามีอะไรไปล็อกไว้มีอะไรบางอย่างที่ไปตรึงร อ, อารมณ์ของเราเอาไว้นะใช้วิธียอมรับดีกว่าเวลาใจร้อนขึ้นมาเนี่ยเห็นเราก็ยอมรับว่าเนี่ยนาทีนี้ลมหายใจเนี้มันใจร้อนแค่นี้มันปั่นแค่นี้ ลมหายใจต่อมา ม, มันจะปั่นน้อยลงหรือมากขึ้นเราไม่สนใจเราดูไปเรื่อยๆคือติดตามดูความไม่เที่ยงของอารมณ์ใจร้อนไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดมันจะรู้สึกว่าตัวใจร้อนเนี่ยเป็นแค่ภาวะที่มันต่างระดับไปเรื่อยๆแล้วตัวความเย็นที่มันจะเข้ามาแทนเนี่ยนะมันไม่ใช่เย็นเพราะว่าเราล็อกให้มันเย็นแต่มันเย็นเพราะว่าเราเห็นว่าไอ้ความร้อนไม่ใช่เราแล้วก็ขี้เกียจจะยึด ไอ้ความร้อนตรงนั้นคมันมันจะระ ง, งับลงจริงๆทั้งกายแล้วก็ใจแล้วมันต้องใช้เวลานะมันมันไม่ใช่ได้ผลดันใจคือที่ผ่านมาเนี่ยจิตมันไม่ยอมเข้าฐานนะแล้วผมรู้สึกเหมือนจิตมันลอยอยู่ข้างนอกผมก็เลยพยายามหาวิธีทำสมปทาเข้ามาช่วยก็ยังไม่ต้องทําใช่ไหมครับดูอย่างนี้ไปเรื่อยก่อนถ้าทําสมาธิอะควร หลายถึงว่าทํานั่งทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมไกด์ไปตอนแรกเนี่ยครับอย่างนั้นนก็ควรนั่งแต่ตอนที่มันเกิดณจุดเกิดเหตุเนี่ยก็แค่หายใจทีหนึง่งแล้วก็บอกตัวเองว่าตอนนี้มันกำลังร้อนอยู่แค่นี้ครับแลาหายใจต่อมามันร้อนเท่าเดิมไหมคือถามเหมือนถามตัวเองว่ามันเท่าเดิมไหมแค่นั้นพอแล้วนะมันเป็นทั้งสมถะและ ว, วิปัสนาอยู่ในตัวเองอยู่แล้วครับแต่จะเป็นวิปัสนาจริงๆต่อเมื่อจิตของเรามันสะอาดเกลี้ยง จากไอ้ความใจร้อนแล้วเห็นความใจร้อนเนี่ยเป็นแค่ภาวะที่ถูกรู้รไอ้นี่คือความใจร้อนเนี่ยมันยังไปปนอยู่กับจิตเต็มที่อยู่เลยไงพ อ, พอดูเข้าไปเนี่ยมันเลยเหมือนมันจะดูไม่ค่อยออกแต่ว่าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันจะค่อยๆแยกห่างออกไปเรื่อยๆจิตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงจิตจะ ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสิ่งนั้นนะลองดูนะครับผมวปาดีค่ะพี่ตุลเอ่ออันมาขอข้อแนะนําค่ะเพราะว่าตั้งแต่แนะนําไปครั้งก่อนก่อนอันคิดว่าอันมีพัฒนาการแต่ตอนนี้อันว่าอันเตยค่ะอ๋ออันหน้าเปลี่ยนไปเนาะหน้าตาดีหรือหน้าตาดี๋ขึ้นซ <c oughs> ิดีขึ้นดีข <c oughs> ึ้นเมื่อกี้พี่ก็ว่าเอ้คุ้น แล้วตอนนี้กลับไปทำงานยังค่ะแล้วงานเยอะมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป๋ด้วยไม่นี่เราเตรียมไวพูดอย่างนี้เลยคือจะบอกว่าถ้ากลับไปทำงานแล้วงานเยอะเนี่ยนะน้อจิตเป็นแบบนี้แสดงว่าดีแล้วมาใช้ได้เลยแสดงว่าจิตมันไม่ไม่ไป ไม่หมกอยู่กับงานหนักเหมือนแต่ก่อนคือมันมีอะไรฟุง้งๆยุ่งๆจริงแต่ว่ามันอยู่รอบๆจิตมันไม่ได้ลงไปเป็นความเอาจิงเอาจังเหมือนเมื่อก่อนนะคือข้างในมันพร้อมจะเบาขึ้นมาเรื่อยๆแหละถ้าเรา แค่ดูลมหายใจดูเนี่ยมือเท้านะถ้าเบาเนี่ยมันสามารถเบาลงได้ทันทีเพราะว่าคลื่นความฟุ้งซ่านคลื่นความยุ่งเยินที่มันอยู่ในหัวเนี่ยมันเหมือนอยู่รอบๆมันไม่ได้ลงไปที่จิตอันรู้สึกไหมว่าเออคือจิตของเราเนี่ยมันมันเหมือนไม่หยุดฟุ้งสักทีแต่ว่าดูเข้าไปบางความรู้สึกมันก็เหมือนว่างๆไม่ได้จับไม่ได้ยึดอะไร อันนี้เขาเรียกว่าความคิดเนี่ยมันอยู่รอบๆมันไม่ได้ลงไปไม่ได้ลงไปขยี้ขยำจิตแบบที่เมื่อก่อนเป็นอาการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางทีเอางี้พูดว่าแต่ก่อนเนี่ยมันยึดทุกเรื่องโดยที่ไม่จําเป็นต้องยึดใน ต, ตอนนี้มันจะยึดเป็นบางเรื่อง ที่รู้สึกว่าต้องปรกัสจริงๆนะแล้วกเ็เรื่องที่เรื่องที่ไม่ไม่ต้องยึดเนี่ยใจเราก็เหมือนกับโอเคปล่อยเวลาปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยจริงก็ดีแล้วนะคืออย่าคาดหมายว่าปฏิบัติดีหมายความว่างานยุ่งแค่ไหนก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นไปไม่ได้พี่เองยังฟุ้งเลยแต่ว่าประเด็นคือว่า พอฟุ้งแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้เป็นไหมนะเห็นไหมว่าเออมันปุ้งแล้วก็ยอมรับไหมว่ามันฟุง้งว่าดูๆไปเนี่ยแล้วมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นมันก็เหมือนกับหลุดหลุดไปทั้งแผงพอหลุดไปทั้งแผงเนี่ยเรารู้สึกจิตเหมือนเบิกบานเหมือนโล่งขึ้นกว่าปกติซะอีกนั่นเพราะว่าเราได้ออฝึกสติเห็นอะไรอย่างหนึ่งมันแสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นอนัตตา แล้วจิตได้เรียนรู้ที่จะถอนออกมาถอนออกมาเองโดยธรรมชาติของจิตนะไม่ไปบังคับไม่ไปฝืนไม่ไปสั่งให้ตัวเองเนี่ยจะต้องปล่อยให้ได้อย่างนั้นปล่อยให้ได้อย่างนี้อาจจะต้องนั่งสมาธิบ่อยนิดนึงนะบ่อยขึ้น มันจะช่วยได้เพราะว่าถ้าไม่นั่งสมาธิเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นความคิดแบบวนรอบๆจิตก็จริงแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าลึกเข้าไปข้างในจนกระทั่งมันกัดกินเหมือนแต่ก่อนได้มันยังกัดกินได้อยู่ต้องนั่งสมาธิบ่อยนิดนึงนะอาจจะวันละรอบสองรอบถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้แล้วก็รู้สึก สามารถนั่งได้ปลอดตรงก็ดีเอาแค่5นาทีสินาทีไม่ต้องไม่ต้องบ่อยมากไม่ต้องนานมากแต่ว่าขอให้บ่อยมันมันจะช่วยให้คลื่นความคิดที่มันเบาบางอยู่แล้วเนี่ยกระจายแล้วก็กลายเป็นความว่างตรงนี้นมันก็จะเหมือนกับเราได้เข้าไปห้องทํางานแบบสะอาดเอี่ยมไม่ต้องไปเชิญกับอยาก ย, าย่อยอันนี้มันยังเหมือนกับแต่ละวันเนี่ยเริ่มต้นด้วยอยากย่ยอยู่ อันไม่รู้ว่าสมองมันเสื่อมหรือว่าอะไรเนอะมันเหมือนตอนนี้ไม่ค่อยเอาอะไรมากเท่าไหร่คือเริ่มปล่อยปล่อยจริงๆอย่างที่เมื่อกี้พี่ตุนบอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันเริ่มเห็นความไม่เที่ยงหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แบบเฮ้ยมันลืมจริงด้วยมันลืมแล้วมันก็ลืมไปเลยไม่รู้ว่าสมองเสื่อมหรือว่ามันเริ่มแบบมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆด้วยอย่างที่พี่บอกอย่างเรื่องที่เราต้องโปรแกรสจริงๆเราก็ไม่ลืม คือหมายถึงว่ามันมันอยู่ในสิ่งมันอยู่ในแอกเอนดาจริงๆว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องให้ไปออริเทตี้มันต้องเนี่ยคนทํางานเยอะๆเนี่ยถ้าจําได้ทุกเรื่องเนี่ยมันก็แสดงว่าแบกทุกเรื่องมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือว่าเราไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเตือนแต่ข้อเสียคือว่าเราจะฟุ้งยุ่งแล้วก็สับสนไปหมดแล้วนะปะปนบ น, บ น, บนเปื้อนไปหมด อนนี้ลืมบ้างไม่เป็นไรคืออย่าไปว่าตัวเองมากต้องหาลูกน้องมาช่วยเตือนหรือว่ามีการจดใส่มือถือบ้างให้มันเตือนบ้างอะไรนะตอนนี้อยู่ในยุคไอทดีอย่างมันจดใส่มือถือแล้วให้มันร้ององเตือนเราได้ไม่ต้องจาเองแต่จิตแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าในแง่ของการเจริญสติดีแล้วนะ อยียนิดนึงแล้วก็เอาเข้าใกล้ปากนิดนึงมันสงสัยไปปิดค่ะมาครั้งแรกค่ะชื่อนีค่ะ เ, เป็นคนใจร้อนแล้วก็ชอบทําอะไรเร็วๆแล้วก็มันจะต้องทําให้เสร็จเสร็จเร็วๆอะค่ะแล้วก็ชอบทําอะไรอย่างเดียว ทีนี้มาสนใจปฏิบัติธรรมสัก 5-6 ปีแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบบ้างแล้วก็อยู่บ้านก็จะจะสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมทีนี้เนี่ยก็คือพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากจะทำให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันก็คื อ, อตั้งจุดเป้าหมายไว้สูงก็คื อ, อนิพพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามมุ่งปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกตัวเองก็ไม่ได้มีความเพียรเยอะ ก็เหมือนกับว่าจะทิ้งทางโลกไปอะไรเงี้ยค่ะที่นี้มันก็รู้สึกว่าเบื่อทางโลกไปแล้วก็อยากจะปฏิบัติมากๆจะทํำยังไงคะที่แบบให้มันบาลานนะคะ่ะคําว่าบาลา น, น่ะไม่มีหรอกนะในเพศคารวาสเนี่ยเราเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยแต่ละคนจะมีจุดได้เปรียบเสียเปรีย บ, ยบแตกต่างกันคนที่ได้เปรียบก็อย่างเช่นงานเนี่ย ไม่ได้วุ่นวายมากไม่ได้ต้องทําให้ร้อนใจมากแล้วก็สภาพจิตโดยเดิมมีโครงสร้างความคิดในแบบที่ใจเย็นอยู่ก่อนนะไม่ใช่มาฝึกใจเย็นเอาทีหลังแล้วกออ็อย่างความได้เปรียบอยีกอันหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรจริงๆจังๆเนี่ยมันไม่เหนียวแน่นมาตั้งแต่เกิดอันนี้เรียกว่ามีทุนอยู่คือจะไป ิกไม่ได้จะไปกะเกณฑ์ตายตัวว่านี่เป็นคารวานะจะเอามรผลนิพพานเอาอรหัตตบผลด้วยเนี่ยบางทีมันไม่บาลานตั้งแต่โจทย์แล้วเพราะเวลาอย่างถ้าเราดูนะตามประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนสติปัฏฐานเนี่ยจะมีคำว่าดูกรภิกษูขึ้นมาเสมอแสดงว่าสอนปฏิบัติจริงๆจั ง, จงพระพุทธเจ้าสอนแต่ฟิกษูนะ ตนแต่คนที่มาเป็นภิกตุนีภิกตุแต่คนที่เป็นฆราวาสเนี่ยนั้นๆเราจะได้ยินที่พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นส่วนของฆราวาสที่เหมาะจะได้เจริญสติหรือไม่ก็ที่เหมาะจะได้บรรลุธรรมแบบเฉียบพลันนี่พอเรามองเข้ามาว่าตัวเอง ถือว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบคารวาาทแล้วก็พระทั่วไปในยุคปัจจุบันนะจริงๆเราไม่ได้เสียเปรียบเปรียบพระเสมอไปนะเป็นพระยุคนี้เนี่ยยากนะยากที่จะเป็นพระได้จริงๆส่วนใหญ่เป็นพระเกะคือถือพระวินัยได้ไม่ครบทุกข้อ บางทีประราชิกไปเรียบร้อยนานตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ก็ยังปฏิบัติตนเป็นพระอยู่พระพวกนั้นนี่อย่าว่าแต่นิพพานเลยสวรรค์ยังยากเอาตัวรอดยากยากมากแต่เราเป็นคารวบา้านไม่ต้องไปถือพระวินัยอะไรนะไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามอะไรก็ได้เปรียบอยู่ แลอย่างพระทุกวันนี้เนี่ยบอกตรงๆเลไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกเอาเวลาไปสวดศบหมดนะหรือไม่ก็ไปรับกิจนิมนต์ตามบ้านตามเลยชาวบ้านเนี่ยตัวดีอ่ะ mm hmm. ผมเองก็เถอะ <c oughs> บางทีก็เป็นนิมนต์ท่านก็รู้ว่าว่ามันบางทีมันผูกพันกับว่าเราเราจะต้องออให้ท่านมาทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยนะ เ, เป็นเป็นพิธีมงคล ซึงจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระไม่ต้องทํางานหนักขนาดนี้นวันๆนี่ก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกลมนั่งสมาธิแต่ทุกวันนี้เนี่ยคือวันๆเข้าบ้านมากกว่าเข้าวัดอีกจิตใจมันก็เลยหมกอยู่กับเรื่องของบ้านๆซะเยอะน่าจะหาวัดจริงๆหาที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยยากมากเหลือน้อยเหลือน้อยมากนะ แต่เราเป็นค า, ารวดและบางทีเนี่ยเราหวังยิ่งกว่าพระหลายรูปที่อีกนี่ถือว่าได้เปรียบอยู่แล้วนี่ถือว่านะเป็นกํรไรของความเป็นค า, ารวาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดคันตัวเองให้มากว่าจะต้องได้ถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดเอาแค่ได้หวัง ว่าเราจะใช้สภาพของสติที่มันมีอยู่ดีๆอย่างเงี้ยมาพัฒนามาทำให้มันเจริญโดยการยอมรับสภาพแต่ละสภาพที่มันกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่อย่างตอนนี้มันสงบลงมันไม่ได้ดิ้นรนแบบเมื่อกี้แค่ยอมรับสภาพตรงนี้ว่ามันแตกต่างไปนี่เรียกว่าสติ นี่เรียกว่าเราค่อยๆหยอดความเจริญใส่เข้าไปในสติแล้วแต่ละครั้งที่เราสามารถเห็นภาวะอันเป็นปัจจุบันว่ามันต่างไปอย่างไรมันไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั่นคือทุกครั้งที่เราได้เจริญสติพอเจริญสติไปเรื่อยๆนะมันเกิดความพอใจขึ้นมานี่อย่างตอนนี้รู้สึกพอใจไหม ความพอใจตรงนี้ไม่ได้อราหัตผลนะมันพอใจเพราะได้เห็นและมันสงบจากความอยากสงบจากอาการจะเอาอะไรเกิ น, กนมันเอาแค่ตรงนี้นี่พอไปฝึกด้วยการที่เราพอใจจะเอาแค่ปัจจุบันอยู่ในลมหายใจปัจจุบัน จนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินในที่สุดเนี่ยความเคยชินนั้นมันจะเป็นต้นเหตุของความรู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องให้ได้อะไรมากขึ้นไปกว่านี้ก็ได้และความสุขแบบนั้นนะเป็นความสุขในโพชฌงค์อยู่ในฝักฝ่ายของการตรัสรู้จริงๆในความสุขในแบบเร่งเรียบจะเอาไม่ใช่ ไม่ได้อยู่ในโพชฌงค์ตรงข้ามวิ่งหนีนิพพานทุกครั้งที่เราอยากได้เป็นทุกครั้งที่เราถอยเท้าจากนิพพานไม่ใช่เดินหน้าเข้าหาค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะก็คื อ, อ, อพอเราจะเดินตามอริยมรัก์เนี่ยค่ะก็คือการเลือกงานเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยคือเหมือนเรา มันจะผิดสีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยการตัดสินใจว่าเราจะทำหรือไม่ทําต่อเนี่ยคือคือเรารู้สึกอึดอัดในการที่จะทำเนี่ยเราควรที่จะออกมาเลยไหมคะใจของเราเศร้าหมองอยู่กับการผิดศินแต่มันไม่ได้ผิดถึงขนาดร้ายแรงอะนะคือหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังใจเข้าไปผิดศินโดยตรงมันมีความเศร้าหมองอยู่แต่มัน มันไม่มีอาการอินเข้าไปในการผิดศีลในอารมณ์ผิดศีลเข้าใจไหมคือมีความเศร้าหมองอยู่มีความมีความไม่พอใจในสิ่งที่เราต้องไปเกลือกล้วแต่กำลังใจที่จะผิดศีลของเราเองเนี่ยมันไม่ได้มีเต็มร้อยเหมือนคนนึนที่เขาทาจริงจริงคนที่เขาลงมือจริงๆแต่จะมีความคิดก็คือเหมือน มีความไม่พอใจะมันไม่มีฉันทะที่จะทำทาให้งานก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืองี้อาชีพที่จะเป็นจะตรงทางอริยมรรยพรจรผลจริงนะมีอาชีพเดียวเป็นนักบวชนอกนั้นเนี่ยมันไม่มีใครตรงหรอกแบบที่บริสุทธิบริบูรณ้อย์เซ็เนี่ยนะเอาแค่แบบว่าจะต้องค้าขายเอากำไรเนี่ย คือบางทีใจมันก็รู้สึกเอ้ยมันแบบนี้จะเอาอยู่เนี่ยคือนี่แค่คิดจะเอากำไรโดยถูกต้องนะไม่ได้ผิดอะไรเลยนะบางทีมันรู้สึกเอมันถ้าเป็นอะไรที่ตรงทางเป็นสัมมาอาชีวะร้อเอร์จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าไม่มีใครมาเดือดร้อนไม่มีใครมาต้องมารู้สึกแข่งขันอิดช้ามันไสอะไรเราได้ แต่ถ้าเรายังได้อยู่เนี่ยมันยังมีมันยังมีคนคิดได้อยู่และตัวเราเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหมายอย่าไปมุ่งหวังว่าเราจะไปเจออาชีพทังอาชีพหนึง่งที่ทําให้รู้สึกสบายใจสุดขีดเหมือนตอนเป็นพระขนาดเป็นพระเดี๋ยวนี้ยังไม่สบายใจเลยญาติโยมเอาเงินมาให้อย่างเงี้ยสําหรับพระที่เคร่งจริงๆยังมีอยู่อีกเยอะแต่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวแต่ พระที่เป็นสมีไปเรียบร้อยน ะ, ะระบบสงของไทยบางทีไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ระดับยอดมาก็มีเงินเดือนมีเงินให้คือมันไม่ใช่ว่าจะแบบเหมือนสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาจริงๆพระราชาของสงจริงๆที่ท่านสั่งให้ไม่รับเงิน เนี่ยอันนี้ก็คือพูดขึ้นมาเพราะว่าอยากจะบอกว่าไอ้ความสบายใจแบบสุดๆเนี่ยถ้าไปคาดหวังแล้วบางทีมันจะเสียใจเปล่ามาเอาตรงนี้ดีกว่าว่าเรามีอาการอินแค่ไหนกับเรื่องผิดถ้ามันไม่อินและเราไม่ได้มีกำลังใจที่จะทำอะไรผิดเนี่ย ตรงนี้บอกตัวเองว่าเอออย่างน้อยเราไม่ใช่คนทุศีนแน่ๆว่าคนทุศีนโดยนิยามเนี่ยก็คือคนที่ยินดีที่จะผิดศีนคนที่เต็มใจที่จะทำอะไรผิดๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมานะจากงานใหม่งานเก่าสรุปก็คือว่าอย่าเอามาเป็นตัวตั้งว่ากลัวจะ ขวางทางหรือกลัวจะผิดศีลเอาเป็นว่าเรายินดีในความผิดของใครๆห ร, รือเปล่าตัวนี้เป็นตัวตั้งที่แท้จริงนะขอบคุณค่ะไปนบนบไปตรงนูน้นจ้ะก็ไม่ม <het> ีอะไรจะถามแบบขนาดนั้นนะคะแต่แค่ อยากรู้ว่าข้อดีข้อเสียของตัวเองอะที่หนูเป็นน่ะแล้วหนูไม่เห็นน่ะเพราะแบบบางทีรู้สึกว่าเป็นคนฟุ้งซ่านของของออนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่ขัดแย้งกับตัวเองนะขัดแย้งกับตัวเองอย่างแรงไอ้ตอนที่คิดดีเองคิดดีมากนะแต่ตอนแพ้ใจตัวเองมันก็วูบไป มันเหมือนคนที่ไม่สามารถจะเอาชนะสิ่งที่มันมีกำลังเหนือกว่าเราบังเอิญว่าสิ่งที่มีกำลังเหนือกว่าเราเนี่ยมันก็อยู่ในเราเองจุดของความขัดแย้งมันไม่เริ่มต้นมานจากการที่เรา อยู่ๆนึกอยากเอาชนะตัวเองขึ้นมานะแต่มันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีการตัดสินใจหรือว่าการที่เราแพ้อารมณ์หลายๆอารมณ์นะมันเริ่มต้นมาจากตรงนั้นพูดง่ายๆถ้าไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่อยู่ในอารมณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองแพ้มันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมา นี่ก็ดูตรงนั้นแหละตอนที่เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ดีเราไม่เอาไหนเราแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสตัวเองนะมันเกิดความรู้สึกแย่ๆมันเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาหรือเกิดความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอทั้งทั้งที่ข้างในมันรู้สึกว่าเออมันยังเข้มแข็งได้มากกว่านี้ ก็ให้เรียนรู้ว่าสภาพทางใจหรือรายละเอียดของจิตใจตัวเองมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็คือยอมรับความจริงที่เริ่มอันนี้อันนี้เอาจากจุดเริ่มต้นก่อนพี่บอกไงว่าขึ้นต้นมาไม่มีใครรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองหรอกจนกระทั่ง รู้สึกเหมือนกับว่าแพ้ไปอยู่ๆคือไม่ได้เอาชนะไม่ได้จะไปแข่งขันอะไรกับใครแต่ทำไมรู้สึกแพ้ทำไมรู้สึกมันแย่ทำไมรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันบางทีคนอื่นเนี่ยมาบอกให้เรารู้สึกไม่ได้ รู้สึกจะจะปลอบใจให้รู้สึกดีขึ้นมันก็ไม่รู้สึกหรือแม้กระทั่งจะมาสั่งให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมมันก็รู้สึกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลตามปัจจัยที่มันสั่งสมมานี่บางทีมันเกื้อกูนกันได้ถ้าหากว่า เราดูสภาพทางใจว่าอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกแย่นะแล้วถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเอาชนะตัวเองได้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาตัวนั้นมันจะตัวตัวที่เห็นเนี่ยว่าเ อ, อิร์นรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมา่ถ้ารู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาบ่อยๆมันเกิดการเลือกขึ้นมาใหม่ได้มันเกิดการตัดสินใจในอีกแบบหนึ่งได้บางที คนเราเนี่ยมีข้ออ้างอยู่เยอะบางทีเราบอกตัวเองอยู่นะด้วยอารมณ์เข้าข้างตัวเองหรือด้วยอารมณ์ที่มันไม่สามารถจะหลุดไปจากหลุดพ้นไปจากตรงนั้นเนี่ยนะมันมันคอยจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างบีบเราแต่จริงๆก็คือ การมีส่วนหนึ่งของใจสมัครใจหรือยินดีเองนั่นแหละถ้าเราสำรวจไปเรื่อยๆว่าเนี่ยเมื่อไรที่เราตามใจตัวเองแล้วรู้สึกแพ้เมื่อไรเราตามใจตัวเองแล้วรู้สึกไม่ดีเห็นคือเห็นเหตุแล้วก็เห็นผลเหตุคืออะไรคือตามใจตัวเองผลคืออะไรรู้สึกแย่เห็นไปบ่อยๆมันฉลาดขึ้นมาเองว่าไอ้ความ รู้สึกยอมตามตัวเองไปเรื่อยยอมตามกิเลสไปเรื่อยเนี่ยมันคือเหตุผลของความทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีความเข้มแข็งขึ้นมานะจะวันหนึ่งสองวันอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งนั้นเรารู้สึกถึงความเข้มแข็งแล้วใจเนี่ยไปอยู่กับความเข้มแข็งนั้นบ่อยเข้ามันก็อยากจะกลับมาหาเหตุต้นเหตุ ข, ของความเข้มแข็งมากขึ้นเองเข้าใจไหม คือพอมันเห็นค่าของความเข้มแข็งมันจะเห็นค่าของต้นเหตุคือการไม่ยอมตามใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆเวลาดูเข้ามาที่ใจเนี่ยอย่าดูเข้ามาด้วยอาการตัดสินผิดตัดสินถูกว่านี่เราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้แต่ให้ดูเข้ามาว่าอาการทางใจมันแย่หรือมันดีด้วยเหตุผลแบบไหนถ้าเราเห็นบ่อย วันนี้รู้สึกดีมันก็จะวิ่งเข้าหาต้นเหตุของความรู้สึกดีๆนั้นมากขึ้นไปเองแนกทั้งวันหนึ่งมันเกิดเป็นความรู้สึกที่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ตรงนี้แหละตรงที่มันดีที่ผ่านมามันคิดมากเกินไปนะในหัวของเราเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยเรื่องที่ทาให้รู้สึก ว่าชีวิตมันไม่เป็นสุขทั้งๆที่มันก็มีความสุขที่หาได้ง่ายๆนะอย่าไปว่าตัวเองมากมันไม่มีประโยชน์เอาแค่ความรู้สึกว่าเออเราเราได้เห็นเหตุเห็นผลเนี่ยแค่นี้มันมันเพียงพออยู่แล้ว ที่จะทำให้ภาวะจิตใจของเรามันมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะหนุมไม่รู้จะทำอะไรก็แค่ให้มาสวัสดีพี่ตุลแล้วก็จะให้พี่ตุลแนะนำอะไรก็ได้เนี่ยจะกลับไปเมื่อไหร่เนี่ยวันที่ย7เจ็ค่ะ วันที่17วันวันศุกร์นี้ค่ะ่าจะบอกคำเดิมคือว่าอะไรที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยว่ามันชัดเจนอยู่ว่าเออเรามีความเปลี่ยนพยายามเนี่ยนะไม่สำคัญหรอกว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกสำคัญที่ว่าเราสู้หรือไม่สู้ แล้วก็สำคัญที่ว่าเราเอามันเป็นบทเรียนหรือว่าเอามันเป็นความล้มเหลวถ้าเรายึดมันเป็นความล้มเหลวมันก็จะเป็นความล้มเหลวจริงๆแต่ถ้ายึดมันเป็นบทเรียนมันจะมีบทเรียนต่ อ, ตอไปเข้ามาบางทีอาจจะดูหนักหนาสาหัสไม่แตกต่างไปจากเดิมแต่เราจะรู้สึกว่าผ่านมันได้ง่ายขึ้น เพราะธรรมชาติของการที่เราผ่านบทเรียนยิ่งมากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีความกระสับกระส่ายทุกข์ใจมันน้อยลงเท่านั้นของนบเนี่ยคือบางทีผ่านความทุกข์อะไรแล้วมันเป็นประเภทไปคิดขยายอะคิดขยายความทุกข์ เราเห็นอยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เราไม่เห็นอยู่ก่อนแต่พอเราเพียรพยายามที่จะทำให้มันผ่านทำให้มันได้เนี่ยแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ได้มันก็อดคิดมากไม่ได้คิดแล้วมันชอบเอาอนาคตมาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาปัจจุบันเป็นตัวตั้ง คือถ้าปัจจุบันเป็นตัวตั้งจริงๆเนี่ยโอเคมันอาจจะมีความล้มเหลวมันอาจจะมันเปลวเรื่องเมื่อนะเจ้านายอะไรอย่างง้น อ, อย่างนี้เนี่ยแต่ในที่สุดแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้อย่างที่เราเล่าให้พี่ฟังเนี่ยว่าเออมันเป็นเพราะเราเองเราก็ไม่ได้ยอมอ่อนให้เจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมีสาเหตุสารพัดที่เราจะได้เป็นบทเรียน มันมีอะไรหลายอย่างมีรายละเอียดที่ได้มามันไม่ใช่เสียไปอย่างเดียวแต่เราต้องเห็นไงคือถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันจะเสียกำลังใจมีแต่ความรู้สึกเสียกำลังใจอทอแถที่ผ่านมาเนี่ยมันได้อะไรมันต้องเยอะนะเออพอ อ่านบทเรียนมาแล้วก็อ่านประสบการณ์มาเยอะๆเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตอนคิดแบบเด็กๆเนี่ยคือคิดว่าวุ่นไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีต้นไม่มีปลายด้วยแต่ตอนนี้เห็นไหมถ้าจะคิดอะไรมันเริ่มมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมันมีความสมเหตุสมผลแล้วไม่ใช่คาดหวังอะไรไปฝันฝันเนี่ยตอนเนี้คือพอ ได้ทำแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแค่นี้ก็คุ้มแล้วยังไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นน ะ, ะ, ค, ะคือหมายถึงว่ายังไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นเป็นเงินเป็นทองเนี่ยเอาแค่ได้ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะคนเราเนี่ยจะตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยนะบางทีมันไม่ได้ตั้งตัวขึ้นมาได้เงินเสมอไป มันตั้งตัวขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้มันงอกเงยที่ผ่านมามันมีแต่ความคาดหวังไงว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก่อให้มันอยู่รอดไปเถอะแต่อันนี้มันมันจะคิดถึงเรื่องการใช้ความสามารถการใช้ความรู้อะไรมากขึ้นนะอันนั้นน่ต้นทุนที่มันแพงกว่าเงิน ขอบคุณค่ะอันนี้คือลงทะเบียนมาเปล่าเลยไหนไหน4คนที่เหลือนี่ใครลงทะเบียนมาบ้างลงลงครๆเอาโอเคได้โอเค อ, อ๋อเมื่อกี้ไปใส่เสื้อม <laughs> าใช่ไหม <laughs> อ๋อสวัสดีครับพี่ตุลครับผมชื่อไก่มุนตราครับก็ ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีหลายคำถามที่ตรงใจผมแล้ว ก, วก็ก็ได้คำตอบแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอขอคำชี้แนะได้ไหมครับอ๋อเหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันหลังนี่ก็แล้วกันนะได้ครับขอบคุณครับสองสองคนนี้ลงทะเบียนด้วยครับพี่สาวมาด้วยกันครับขอบคุณครับ อยากคุยเรื่องนี้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันขออนุ ญ, ญาตนะคะถึงแม้จะมาคุยเรื่องทัวร์แต่ขออนุญาตถา ม, มานะคร<ด>เพรา ะ, <ด><จ>ะว่าเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่ก่อนเนี่ยมีหลายมีหลายครั้งที่มีคนชวนให้มาฟังเรื่องในแง่ของธรรมะแล้วตัวเองคิดว่ามันเสียเวลา <c oughs> อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะตัวเองคิดว่ามันเป็นการเสียเวลามากเลยที่ว่าจะต้องมานั่งฟังหลายๆอย่างแต่มาครั้งนี้เนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียเวลาแล้วก็เสียดายในสิ่งที่ครั้งๆเลยเพื่อนหลายๆคนเขาชวน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 แต่ตอนนี้พอมันฟึดฟัดอยู่ข้างในมันคล้ายๆว่ามีอาการข้างนอกเนี่ยที่ไม่ปรากฏชัดตามสภาพภายในพอเราเห็นว่าเออเนี่ยอาการฟึ้ฟัดฟ้ฟัดฟแบบนี้มันมเีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเป็นนิสัยเดิมเป็นของเก่านะ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 นี้พอมาเนี่ยถ้ามาปรับประยุกใช้เจริญสติเขานิดหนึ่งนะเห็นเข้ามาในสภาวะกายใจตัวนี้ก็จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าภาวะทั้งหลายที่มันเคยปรากฏอยู่เป็นประจำเนี่ยมันแสดงให้เราดูได้อย่างชัดเจนว่ามีกำลังสติอยู่แค่เพิ่มในตัวภาวะเข้าไปเท่านั้นเอง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 คือพอความเห็นแตกต่างกันปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้มาอยู่ที่เรื่องสติหรือไม่สติแล้วมันหูมันต้องเอาเกณฑ์อะไรที่เป็นกฎธรรมชาติเข้ามาเป็นเครื่องชี้สักนิดหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกใช้ศีล น, นี่แหล ะ, ะหากว่าใช้ศีลมันมีเครื่องประกันว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยความจงใจแน่ๆอาจจะเบียดเบียนอ้อมๆโดยที่ไม่เจตนาอันนั้นช่วยไม่ได้อันนั้นไม่ใช่กรรม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 ครับฮัลโหลก็คำถามไม่มีอะไรครับ mm hmm. ก็แค่จะถามว่าอยากได้คำชี้ mm hmm. ชี้แนะกลับออกไปเหมือนอย่างที่ทุกทุกคนได้เท mm hmm. ่านั้นเองครับ mm hmm. พอตอนคนหลังๆเนี่ย มันจะคอยมีมุมมองอยู่ว่าดีอยู่แล้ว <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยนะอที่เราจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันก็แค่ว่าทํายังไงจะมีสติเจริญขึ้นนะ ท, ทุกๆวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเราไปคือในนิยามของเราคือไปทําบุญอนะไปทําบุญอยู่ ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมไปโน่นไปนี่ใจก็มองว่าอันั้นมันเป็นบ่อกเกิดของความสว่างบ่อกเกิดของกุศล น, นะคือใจใจมันจะโฟกัสไปที่ตรงนั้นแต่ว่าก็เข้ามาที่ยังนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมอยู่บ้างว่าครับผมก็ก็ทำอยู่ครับ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 อย่างเนี่ยที่พี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยพอสว่างเบิกบานขึ้นมาแล้วเราก็พอใจแล้วก็เสร็จแล้วก็หยุดไม่ได้ดูต่อนะแต่มันเกิดจะเป็นการเจริญสติอยู่แล้วล่ะอีกนิดเดียวคือมันต้องสร้างความเคยชินในการตั้งมุมมองอีกแบบหนึ่งขึ้นมาขอบคุณครับโอเค ก็วันนี้ขอบคุณมากที่มาคุยกันมาเสวนากันโอเคครับสวัสดีครับนี่น้องนี่ห้าชั่วโมงนะมันจ้าจ้าจาขออนุญาตนะคะเพิ่มเติมนิดเดียว มีพี่ฝากถามมาค่ะว่าใบหน้าคนเราอะค่ะสะท้อนร่องรอยความของคนคนนคือความแตกต่างระหว่างคนที่ที่เห็นแก่ตัวสะท้อนออกมาทางใบหน้าได้หรือเปล่าคะใบหน้าของมนุษย์เนี่ยนะมันเซนซิทีฟกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือ ยิ่งสเสด็จฉันที่มีบุญน้อยน้อยถือกําหนดถือกําเนิดด้วยบาปมากกว่าบุญเนี่ยหน้าตามันจะล็อกอยู่กับที่อย่างพวกอะไรเดียอย่างช้างช้างม้าบัวควายเงี้ยนะคืออย่างอย่างบัวเนี่ยมันจะแค่น้ําตาไหลตอนมันจะโดนฆ่าแต่มนุษย์เนี่ยคืออะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ามัดเนื้อสําหรับแสดงอาะตอมออกมา นี่คนเนี่ยไปเชื่อสิ่งที่เห็นออมองด้วยตาเห็นเขาขมวดคิ้วสงสัยกำลังเครียดอยู่มั้งจริงๆอาจจะกำลังดีใจอยู่ก็ได้นะมันหรือบางทีเนี่ยมันมันหลอกกันได้ด้วยใบหน้าเหมือนกับนักแสดงเน่ยตัวที่มันจะแสดงถึงภาวะเคลื่อนไหวทางอารมณ์จริ ง, รงๆเนี่ยมันเป็นพวกออร่ามากกว่าอย่าง อถ้าคนทั่วไปก็สามารถเห็นออร่าคนอื่นได้มันเป็นความรู้สึกเว่านคนนี้ดีกําลังดีใจมันจะมีอะไรเหมือนพุ่งๆออกมาเหมือนน้าพุอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเนี่ยออกําลังคิดมากอยู่มันเหมือนกับมีอะไรมืดๆมาห่อเหมือนมีผ้าดํามาปกคลุมบางทีไม่ต้องฝึกไม่ต้องอะไรเราอยู่ในชีวิตประจำวันสามารถรู้สึกได้อยู่แล้ว เรื่อเกี่ยวกับออร่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นการปรงแต่งทางจิตขึ้นมาเนี่ยนะนั้นคือสีหน้าสีตาเนี่ยมันบอกได้แค่อารมณ์หยาบหยาบแต่ของจริงๆเนี่ยมันต้องดูเข้าไปที่อารมณ์ทางใจเวลาพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านสอนดีกว่าพวกมาให้ฝึกดูออร่าให้ฝึกดูแสงสีที่ปรากฏรอบกายมนุษย์เยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าให้ให้ดูเข้ามาไล่หยาบ อย่างลมหายใจยวเริยบทไล่เข้ามาว่าเออกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะถ้าสุขเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายของเราเป็นยังไงความรู้สึกสบายของคนอื่นก็เป็นแบบนั้นนะ่ยมันมีอาการเปิดไม่มีอาการปิดหรือว่าภาวะพผงซ่านมันมีอะไรกระเจิงกระเจิงอยู่ในหัวบางทีเราอยู่ใกล้คนุงสซ่านมากๆเราสามารถรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในหัวก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีการคุยกันไง มันก็เลยเหมือนกับไม่มีใครรู้วิธีที่จะพัฒนาความสามารถตรงนี้นะจริงๆ้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้เข้ามาที่กายก่อนกายตัวเองเป็นยังไงกายคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์สุขทุกข์ของเราเป็นยังไงอารมณ์สุขทุกข์ของคนอื่นก็อย่างนั้นอารมณ์นะที่เป็นภาวะทางจิตของเราเป็นยังไงของคนอื่นก็ไม่แตกต่างกันเนี่ท่านให้ดูอย่างนี้นะขอบคุณค่ะ อันนี้เพิ่งมาหรืออะไระเนี่ยพอดีบ้านพี่เขาอยู่แถวนี้ก็เลยเรียกมาฟังด้วยอ๋ออไม่มีข้อสงสัยอะไรเนาะเดี๋ยวอ พ, อพอกลับไปบ้านแล้วค่อยมีเนาะอ่าเอาโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ จะจำได้จ้ะ ก็อย่างที่พี่บอกแหละนะก็อาการอาการนั้นเป็นมาจากชีวิตประจำวันเรามากกว่า